การจำกันนะมีผู้ฟังมีผู้พูดการฟังทำนี่คือฟังแล้วออกไปทำไม่ใช่ฟังแล้วไปจำความจำเป็นความรู้อันหนึ่งที่ว่ารู้จำาันรู้จำเนี่ยมันค่อยจะมีประโยชน์การฟังแล้วออกไปทำ จนให้มาเกิดขึ้นจากการกระทําอ น, นันต์เป็นความรู้แจ้งอ น, นันมีประโยชน์ด้วยเหตุแจ้งการถห็นแจ้งโดยการกระทําด้วยพาะวิปัสนากรรมาฐานเพราะเอาไปทำเพราะทาแล้วมันเกิดการรู้แจ้งวิปัสนากรรมาฐานเกิดขึ้น ร่วงพ้นภาวะเก่าเปลี่ยนแปลงไปความรู้แจ้งที่กเกิดจากการกระทำไม่เป็นการทารําความดีเป็นวิปัสสนาร่วงพ้นภาวะเก่าหลุดพ้นเคยหลงก็ไม่หลงเคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์เคยโกรก็ไม่โกรก็จำไม่ร่วงพ้น กังในควมโกรธควมโลกควมหลงควมทุกข์ควมก่อเจ็เจ็บตายจำเป็นเราต้องทำเรามี้กายใจกายใจของเรานี่ต้องปฏิบัติตามธรรมไม่กายปฏิบัติตามธรรมไม่ว่ายาปฏิบัติตามธรรมไม่ใจปฏิบัติตามธรรม กายวาจาใจเรียนจากสภาวะที่รู้สภาวะที่รู้ก็มีอยู่ในกายในใจนั่นเองเอื่นกายมันหลงในความรู้ก็มีอยู่ในความหลงที่เกิดกับกายนั่นใจที่มันหลงในความรูกกก้ก็มี ไอ้พไม่หลงไม่ไม่ต้องไปปล่อยทิ้งไว้ถ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมปล่อยทิ้งไว้ในกายในวาจาในใจมันก็เป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยก็ไปไปตามนิสัยต่างๆถ้าปฏิบัติตามธรรมก็ปเป็นนิสัยเหมือนกันนิสัยในทางดี หจกเรียนยนิสัยจากพระพุทธเจ้านิสัยจากพระธรรมนิสัยจากควาสงฆ์เมื่อใดนิสัยก็เปลี่ยนได้เป็นดีทุกอย่างเปลี่ยนผีเป็นโูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกนิสัยพระพุทธเจ้ามันมีมาเพื่อให้พัฒนามีมาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ มันหลงมจึงไม่หลงมันได้นิสัยใหม่จะนปิเลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีการเปลี่ยนสิ่งไม่ดีให้มันดีเรียกว่ากรรมาฐานที่ว่าปฏิบัติธรรมเมื่อมันได้นิสัยแล้วมันก็เป็นปัจจัยเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแการหลุดพ้น ไปสู่ความหลดพ้นจากปัญหาถึงปัญญาเป็นไปเองปัญหาอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นความหลงอยู่ที่ใดความไม่หลงอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่ใดความไม่ทุกข์อยู่ที่นั่นเมื่อมีนิสัยมีปัจจัยแล้วเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ไปได้ยกอมอสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมกานเดินจงกรมกับยกมือสร้างจังหวะต่าวิาชากรรมฐ า, านเหมือนการแบบฝึกหัดไปหัดเป็นแล้วก็มาต้องทํามันเราเรียนหนังสือแบบฝึกหัดอ่านแบบฝึกหัดเขียนถ้าอ่านได้แล้วเขียนเป็นแล้วไม่ต้องไปหัดจู่ได้อเลย มันมีกายมีใจมีรูปมีนามเพืเราได้ใช่ใช่กายใช่ใใ ช, ใช่รูปใช่นามนี่เมื่อใช่ถูกกรรมหลักการปฏิบัติธรรมมันเกิดมากเกิดผลมันได้ประโยชน์จากรูปจากนามนี่ถ้าไม่มีรูปมีนามมันไม่มีมรรคมีผลงั้นพวงเธอ ไม่มีพ่วงแพรเราจึงขี่ข้ามฟ้าจากฝั่งโน่นไปฝั่งนี้นนจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน่นแห่งวัฏฏะสงสารความเกิดเจ็บเจบตายความสุขความทุกข์เมื่อหัดในแล้วหัดเป็นแล้วไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อกายต่อวาจาต่อใจมันก็เป็นประโยชน์อะไรอีกมากมาย อายงานที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมที่สอนขายสอนหวาจาสอนใจได้แล้วมก็เป็นอาจจะไม่ได้สอนใครก็เป็นจันสองแสงต้งไม่เกิดแสงสว่างชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมนัม้นฉันสองแสงไม่เป็นปัญหาต่อใครไม่เป็นปัญหาต่อตัวเองและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่น เราก็ทําได้ปฏิบัติได้ทุกโอกาสไม่เลือกสถานที่มาเลือกการเวลามีสิทธิหน้าที่สิทธิหน้าที่อยู่ที่ตัวเราแล้วเวลามันหลงเรามีสิทธิไม่หลงเวลามันทุกเรามีสิทธิไม่ทุก อะารก็ตามที่มาเกิดขึ้นกับลูกกับน้ํากับปลากับใจนี้มีสิทธิให้เกิดความเมตามได้ทุกกรณีมันยังเป็นหน้าที่ปฏิบัติตามปฏิบัติตามหน้าที่แล้วเราก็มีหน้าที่มากมายเกี่ยวข้องกับสิ่งเกิดวัตถุอื่นเกี่ยวข้องกัตัวเรานี่ก็มีหน้าที่ ใช่หน้าที่ในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องอยู่เสมอเราไปอยู่แห่งหนทนตบนใดล้วก็มีกาไม่ใจอยู่นั่นมรตามีหูมีจมูที่กายใจมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิวัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้มันถูกต้อง วมื่อจิปฏิบัติถูกต้องต่อหน้าที่เกิดความเป็นธรรมก็มีความเป็นธทรมต่อที่ไหนก็มีได้ไปอยู่ต่างประเทศก็มีความเป็นธรรมต่อต่างประเทศได้ก็อยู่ในโลกไหนก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นที่นั่นเช่นบ้านพักเขาเชิงโรงแรมเขาก็เป็นเกิดความเป็นธรรแต่ที่พักไม่ทําให้เกิดการเสียหาย ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามทำไม่ปฏิบัติทำว่าเป็นอันตรายแล้วตัวเราเองก็เป็นอันตรายแม้แต่ความคิดก็เป็นอันตรายความคิดทําให้เกิดเป็นทุกข์ทุกข์อกความคิดก่อนโทษก็เป็น ท, ทุกข์เป็นโทษได้ าการกระทำก็เป็นทุกข์เป็นโทษตัวเองและคนอื่นได้เราเกลียด เ, เขาฉลอเสียเงินเสียของติดคุกติดตลาดเป็นทุกข์เป็นโทษก็เพราะกายเพราะว่าจจเพราะใจถ้าเราปฏิบัติธรรมก็ไม่มีปัญหาอะไรับเป็นประโยชน์จึงจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมปฏิเสธพระทด้ นี่เรามีวิสังคมสัตว์สังคมงคมพ่อม่แม่แมผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีพี่มีนอ้องมีสิ่งที่เราเจยวข้องดินฟพาอากาศถประชาติแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกรรมก็จีบหายได้อาภัพอับชนได้ มีแต่ศัตูความคิดก็มีศัตรูการพูดก็มีศัตรูการกระทาก็เกิดศัตรูได้ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมความคิดก็เป็นมตรการกระทาก็เป็นมีรความพูดก็เป็นมี ด, ม ด, ก เ, มดเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติจึงจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมปฏิบั ต, ติตาม สภาวะที่รู้มันมีใครสอนเราเราสอนตัวเองสอนได้ทุกกรณีสอนกายสอนวาจาสอนใจสอนได้เรานี้หลงแล้วก็ไม่หลงสอนให้ไม่หลงหลงไม่ทุกข์แล้วก็ต้องสอนให้ไม่ทุกข์ในความโกรธก็สอนได้ในโกรธอยู่ที่เดียวกัน เหมืนหน้าม่อหลังเปลี่ยนเป็นหน้าหนึ่งใ่ยหน้าหนึ่งอยู่ทุกเวลาถ้ามาเกิดเลยขึ้นมาจึงเป็นการที่มีความมั่นใจมีกายมีวาจามีใจมีภาวะทีรู้เป็นคู่ของกายของวาจาของใจ วาทิลูกถ้าปฏิบัติตามบาวาทิลูกเป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะพุทธะธรรมะสังฆะเป็นลัตนะที่เป็นที่กายอาศัยได้วาัจจา์อาศัยได้ใจอาศัยได้แล้วก็มีที่พึ่งเมื่อพึ่งผลที่เราปฏิบัติตามตามก็มีอริสงจากผู้ปฏิบัตินั่นเอง ในสิ่งที่คนทั้งหลายเขาทุกข์เราไม่ทุกข์ในสิ่งที่คนทั้งหลายเขาหลงเราไม่หลงในสึงทั้งหลายที่เราโกรธเราไม่โกรธแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆแต่ถ้าเราไม่ไปฏิบัติตามถามตามพระวิธีรู้ไอ้ศัตูกันมากมายพวเมียก็เป็นศัตรูกันฆ่ากันได้ พ่อแม่กับลูกก็เป็นศัตรูกันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นทุกข์ก็มีให้เห็นอยู่กินไม่ได้นอนไม่หลับมีอยู่โอดหลงทุกข์โลกมีอยู่เราก็ยังยอมทนต่อความทุกข์ให้ความทุกข์อนอยู่กับเหลาข้ามหวนันข้ามคืน ในค่าอะไรชีวิตของเราเนี่ยยากเหลือเกินที่ได้เกิดมาหวัาที่จะได้มานั่งอยู่นี่มาได้อยู่สภาพเช่นนี้มีจีคนในคนในโลกนี่เหมือนกับขนโขกกับเขวโขกเพราะว่าได้ ทั้งที่มีอยู่ความสอนมีอยู่พระพุะทธธรรมพระสงฆ์ม่อยู่ในตัวชิตของเราด้วยเองแต่เราไปครบมารครบภยัยครบศัตรูปล่อยให้ตัวเองคิดหมกมุ่นคุณคิดเรื่องใดไปติดอะไรมาตปด น, นิสัยอะไรมาก็ยังเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดตายจนตาย เกิดมาจนตายทิ้งไปหมดออกปามาได้ประโยชน์เลยไป้คู่ฆ่าไม่แต่โทษไม่แต่ไรทำลายอะไรบ้างทำลายตัวเองอะไรบ้างหลงกี่อติสงไข่หลงทุกข์กีร่รสงไขง่ทุ ก, ก ข, ขก์โกดเกี่อสงไขยโกดยังเฉยยังดื้อด้านไม่รู้จักช่วยตัวเอง บาปไปทุกข์ันบาปคือ ง, งูบาปก็คือไม่รู้ก็ยรับบาปเสบิบาตอมอยู่นั้นเอาควหลงนะเอาคว า, ออนะ า, ควาทุกขนะเอารนะอนรู้เพื่ไม่ทุกอโกรธมีอยู่ไม่เคยขึ้นมาเมาื่มดูมื่ดูช่วยตัวเอง จะได้เป็นประโยชน์มีกายมีวาจามีใจนี่เป็นประโ ย, ยาชา น, นยจ์จริงจริงเราจะไปรอวันเวลาที่ไหนวันหลงเหมือนทุกมัอนรอไงวันนี้อย่าเป็นทุกข์นะให้สบายสบายก่อนโวได้เลยบางทีเราจะเป็นทาตุที่เหมือนด้วยเป็นทาตุแล้วใช่ จิต劣ตัณหนาหลาคาความทุกโอดโลกงลงเห็นใหญ่กว่าเราสั่งเราเห็นขี้ค่าความคิดที่ไม่ดีไปขี้ค่าความทุกข์ความทษที่ไม่ดีมาที่ใดก็รับใช่หลงที่ใดก็หลงไปเลยทุกข์ที่ใดก็ทุกข์ไปเลยโอดที่ใดก็โอดไปเลย ทำ ต, ตามความโกรธตัดสินใจทน ต, ตามความโกรธตัดสินใจทําตามความทุกข์จนทำให้สิ่งอื่นว่าอื่นเชื่อหายมีกี่ข้างกี่หนแล้วลุกขึ้นมาน้าตาไหลเชหน้าบุญหลงมีกี่ข้างกี่หนคนอื่นผู้ปฏิบัติทำก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนี่ถือเมตตากระโลนะ สงสารตัวเอ ง, องกว่าสงสารคนอื่นเราปฏิบัติธรรมเเห็นความทุกข์ถึงโอ้เปิมาไม่เคยช่วยตัวเอง เ, เลยปอดเทิ้งมาตั้งสามสปว่าไดไม่เคยช่วยดูแลกายใจสงสารขอสองสารใจสงสารตัวเอง ไม่มีใครบอกใครสอนนรา น, นี้อหมอปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเดียนสอนนราล้มตาซึมหม่ต้องเอาผ้ามาเช็ดน้ำตาไม่เคยช่วยตัวเองหรือหน่วยขอเรื่องหนวยคิดอะไรก็ตามไม่เป็นอิสะ่ะมอไปเห็นทุกข์หลวงตืตือนร้อน รู้สึกว่ามันมีค่าขึ้นมาไปช่วยตัวเองเมื่อจะช่วยตัวเองมาเตัวเองก็เห็นคนอื่นอขอทุกข์ขอโทษต้นไหว้ศรัทธาลายสิ่งที่ทําชีวิต ท, ที่ผ่านมามากมายทำเท่าไหร่ก็มันก็เป็นจย์ให้เราได้ไม่โทษถอยได้ถอนความหรือตอบแทนสิ่งที่เราได้ทํามา เห็นผลคุนของพ่อของแม่ของอะไต่างๆนนหนกมื่อไหนที่เราทำให้เขาเป็นทุกข์หนักอ้เสียใจมากแต่คนอื่นทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ไม่มีปัญหาไม่ใช่ความผิดของเราแต่ความผิดของเราที่เราได้ทาให้คนเป็นทุกข์ร้องไห้เสียใจเพราะเรา เราต้องเป็นโจดตัวใหญ่ใช่นี่กันเท่าไหร่ก็ไม่พอทำความดีเท่าไหร่ก็ไม่พอมือห้านิ้วสิบนิ้วไม่เพียงพอจะมีมือชักพันมือหมื่นมือจะมาทำความดีตอบแทนในสิ่งที่เราได้ทำผิดมาไม่เพียงพอชีวิตที่มีอยู่ใช่นี่อะไรที่เป็น สิ่งที่เราสลรบสนันเราทำความดีมีมากมายแน่ทุกวันนี้ก็ยังมีนี่ผลกื่นช่วยเหลือเราป่าเป็นทับาทชาวบ้านเขาก้อนเข้าใสนในบาทไปอยู่อาศัยหลานนอนฝนตกฟองเสียงฝนหลังคามุงให้ไม่มีเปลี่ยนว่า่มก็มีใครทำให้เรา มันจะชั่วได้ยังไงยิ่งเราเป็นผัวเป็นเมียนอนอยู่ข้างเคียงกันน่าสงสารได้ทำความดีให้มันเห็นประจักษ์แจ้งขึ้นมาพูดกันดนดีทำต่อกันดนดีคิดต่อกันด้ดีให้มันคุ้มค่าสมกับเราได้ในมีกายมีใจเยอะแยะนะเพราะั่นจะชั่วได้ยังไงชีวิตของเราเนี่ย สงสารความทุกข์เราเห็นทุกข์น่ยเราสงสารคนอื่นมากมายไม่มีกรรมที่เราได้ทำมาจับป่าจับหอยมาเท่าไหร่แลก็สัตว์ตัดชีวิตเท่าไหร่ตัดไม่ทำลายป่าเท่าไหร่ต้องชั่วมาเท่าไหร่สูบบุหรี่ก็สูบแต่เหล้าไม่ค่อยไม่ไม่เคยกิน เราไม่เพียงพอชีวิตของเราเนี่เอามาทําความดีแต่การทําความดีที่เป็นประโยชน์เลือกชีวิตนักบวดจึงจะเป็นค่าที่เป็นประโยชน์เลือกชีวิตนักบวชเห็นผ้ากอาสัพัดเห็นความไม่อยู่เห็นทำมาวิไหนโชคเลือก เอาชีวิตนักขวดชุดหัวใจอยากจะมาใช้นี้อยากมามาทำความดีเป็นชีวิตนักขวดแล้วทำความดีต่อโลกมันคือจึงมวนสนาม ส, สนวนเ่าบาปกรรมความทุกขมันสจสดได้เราทำความดีไม่ทออถอย อยากบบอกคนอื่นเวลามันหลงไม่หลงก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้ฮะแต่ยิ่ไหนเนี่ยฝนตกเก็ปรดหลังปรดตี๋ไม่พอเชื่อที่ไหน